ะ, ะก็ได้ฟังผ่านไปนแล้วนะทีนี้อพวกเราเนี่ยที่อยู่ในห้องขับเ้านะเออใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะแสดงความคิดเห็นยังไงเนา ะ, ะก็อะก็ก็เินนะอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็นผู้ฟังแล้วครับเนี่ยกลาบพิชชาพ่อครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อสุนทรธรรมกับพี่จอมนะเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนว่า มันเหมือนเห็นตัวเองเมื่อตอนไปฟังอภิธรรมอายุยี่สิบปีที่บ้านธรรมะครับก็มันจะมีเดตัวเราตัวเราเพราะวทางนู้นเขจะเขียนแค่ว่าห้ามไปปฏิบัติธรรมห้ามไปทําทุกอย่างซึ่งจะก่อดผมเคยเคยเคยเขไปฟังบ้นานธรรมะแล้วเคยเคยพูดคําเหมือนพ่อว่าทําเองเดี๋ยวก็รู้เองหนะ้าทำเองเดี๋ยวรู้เองหนะ้าตรงเนี้ยผมก็โดนแต่ว่า เมื่อพื้นถามอภิ ธ, ธรรมคุณยังไม่รู้เลยว่าจิตเต็มสุดก็คืออะไรและจะไปทำถูกได้ยังไงมันก็เลยคัดค้านากับตรงนี้ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเป็นกําแพงกัน้นแล้วก็ที่พี่จอมบอกว่าจีระกลากลพร า, านาซึ่งเป็นกับกักเป็นนานแสนนานไี่ว่ากว่าจะรู้ดได้มไม่ใช่ใช้เวลานักแว บ, บเดียวก็เป็นทานแสนนานกว่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผอก็ถูกกาแพงกัน้นอันนี้ชั้นว่า เราไม่ใช่พระอัญญาบคนเราจะไปเทียบกับท่านไม่ได้เรายัางผู้ผู้ติชนคือที่หนาที่เดล็ดต้องไปไปฟังอยู่ยนานแสนนานแต่ถามว่าไปอภิธรรม น, น่ดีไหมดีดีตรงที่ว่าเหมือนกับแผนที่ครับก็คือว่าเหมือนกับเขาบอกให้เรารู้ว่าอันนี้นะคืออุปกรณ์อะไรของรถจักรยานโยนนะอันนี้เรียก not, น็อตนี่เรียกว่าโซ่ น, นี่เรียกว่ายางรู้หมดรู้หมดเลยครับแต่แต่ก็ไม่เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์สักที ซึ่งวันหนึ่งที่ผมไปฟังแล้วเจอหลวงพ่อออสผมก็มาเกตที่หลวงพ่อว่าเกลือเค็มไหมตัวนั้นนหะครับกับใครไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนกระตุกสตาร์ตจิตว่าไอ้สิ่งที่เรารู้ม า, าพิธามทั้งหมดเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยมีแต่เราไปรู้ไปรู้สิ่งที่ถูกปรากฏให้รู้หมดเลยครับเพราว่าจะเป็นจิตใจศิปูปเป็นดวงเป็นอะไรแต่ก็ไม่รู้ตัวเองอันนี้มองมุมกลับกันครับ ม่งกับการคือมองข้ามผมก็เปิดใจก็คือว่าผมวางทุกสิ่งของบ้านทํามกขอพทําทั้งหมดแล้วก็ย้อนไอ้สิ่งที่เรารู้มาเนี่ยใครเราไปรู้เนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนกับย้อนกลับมาที่20ปีก็เหมือนทับส0 19, ิบเี่ย่ดนับนับถอยหลังถอยหลัง5 6สีสออ้าวสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เราไป ไปไปจำไปแต่ดชื่อเรื่องราวก็มีเจอสภาพธรรมทั้งทีแล้วก็บวกกับที่หลวงพ่อให้กันบ้านก็รู้ว่าเออสิ่งที่ไปทํามันก็มีเราตัวเราไปทําอีกมีเราไปรู้ไปทํากันบ้านซึ่งมันก็ดีข้อเปรียบได้อย่างว่าได้รู้ทั้งสิ่งที่ปฏิบัติก็ลองดูอภิธรรมก็ลองดูสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่มีอะไร เ, เพราะว่ามันก็เลยเกิดรู้ว่ารู้ ข้าไปรู้ในรู้รู้ชั้นที่สองที่ว่าที่ไปรู้เนี่ยมันแล้วพัมสองตัวเนี่ยข้าไปรู้ในรู้ว่ารู้ว่ารู้หลวงพ่อออคือตัวนั้นไต้องอธิบายคือชั้นที่สาซึ่งคนอธิบายไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็เลยบอกเลย ว, ว่ามันมันยากครับยากสําหรับคนที่ไม่เข้าใจคําว่าที่ไม่เข้าใจคือต้องก่อนที่จะเข้าใจอะไรสักอย่างบางเรื่องไม่ว่าจะใครนะครับหรือจะเป็นอภิธรรมหรือปฏิบัติตมันต้องมีพื้นที่เปิดใจ แล้วก็ฟังแล้วแต่ตรองย้อนมาดูตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ไปรู้อะแท้ๆคืออะไรก็ยอมรับว่าเสียเวลาไปพอสมควรแต่ก็ยอมรับคุ้มครับที่ได้เจอสิ่งที่มีความเข้าใจอย่างที่ผมพูดอย่านี้ก็เป็นเป็นอัตราอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นรู้ปลอมอยู่ดีแหละแต่เข้าใจแล้วอย่างนอย่างนี้ทิดเนี้ยเพราะคำว่ามันไม่มีคําว่าคําว่าเข้าใจคือการปฏิบัติทำแล้วก็คือไม่ต้องอธิบายอะไรสิ่งใดท่าสรพยายอธิบายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติก็มีอัตราอยู่ครับ ปาร์กิครับขอพระกุ่นครับจากพระรัต น, น์ท่านครับอ๋อสาธุค่ะคุยนันนนค่ะสาธุให้ด้วยนะเ<า>พราะว่าฟังแล้วก็ถือว่ามีความเข้าใจแล้วก็พูดออกมาจากความเข้าใจจริงๆนะอันนี้ก็เป็นมักเป็นเป็นมักเป็นทางเดินของของตัวเองแล้วไม่ซ้ํารอยใครก็หมายความว่าพบทางเดินแล้วพบทางเดินก็คือว่ารู้ตัวเรารู้เราเมื่อรู้เราก็สิ้นเราหมดเรามันก็ว่างเปล่า นะเออแต่ก็หน้าที่ก็ปกติ เ, เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแต่ก็ผู้ทําไม่ใช่เราและผู้พูด ผ, ผู้คิดผู้เลี้ยงลูกผู้อะไรต่างๆกันนะมันไม่มีเราและมันไม่เป็นเราเพราะสิ่งเหล่าหมดเราเนี้ยเป็นแค่สิ่งถูกรู้คือเป็นสังขารที่ปรุงแต่งนะเนี่ยได้ทางได้มักแล้วก็เดินไปตามนี้ท่าเรียนเชิญค่ะคุณจอมค่ะประเด็นที่น่าสนใจครับครับก็คือผมเปรียบเส ม, มือนตัวแทนของคนเข้าห้องนี้ใหม่ๆครับสดๆร้อน แล้วก็มีหลายคนก็เข้ามาใหม่หมๆสดๆร้อนๆคือถ้าถ้าเข้าใจจุดประสงค์นะครับจะเข้ารู้ว่าในกลุ่มนี้ยโดยเฉพาะหลวงพ่อนะครับพูดตรงนี้เพื่ออะไรตรงนี้ต้องสําคัญก่อนเหมือนกับว่าเป็นนักเรียนต้องกล้าหานถามครูว่าวันนี้ครูจะสอนอะไรและครูที่สอนนั้นครูมีความมุ่งหมายที่จะสอนให้รู้เรื่องอะไรตรงนี้สําคัญมากเลยซึ่งเราเป็นนักเรียนนั้นส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่เคยคิดอย่างนี้เลยลุกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างๆเวลาเข้าห้องนั้น ก็จะถูกเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าภาษานี่ยก็เหมือนถูกอินพุตเข้าไปให้รู้โดยมีครูป้อนให้รู้รู้รู้แต่ไม่ไม่เคยถามครูเลยว่าครูครับวันนี้ครูจะสอนอะไรผมอ่ะแล้ววันนี้จุดมุ่งหมายของครูที่จะสอนคือเรื่องอะไรซึ่งนี่ผมเป็นตัวแทนของคนใหม่ว่าถ้าถ้าสมมุติผมตอนนี้อายุห้าสิบปีเนี่ยแล้วผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วผมต้องไปลองผิดลองถูกไปเรียนสารพัดวิชาเนี่ยจริงอยู่ เรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดหรอกแต่ว่าอายุผมนี่ผมไม่ไม่มีการันตีได้พรุ่งนี้ผมจะเสียชีวิตหรือว่าเอออีก5ปีผมตายผมไม่รู้ถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็เออบางคนก็ยังประมาทอยู่ว่าเออลูกยังมีพอมีเวลาที่จะไปลองผิดลองถูกยังเรียนรู้ได้นะแต่ถ้าตอนนี้เริ่มต้นที่50แล้วจะมั่นใจยังไงอะ่ะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือจุดมุ่งหมายที่หลวงพ่อต้องการสื่อนี้หนึ่งคือต้องรู้ก่อนว่าหลวงพ่อต้องการสื่ออะไรเนี่ยครับที่พูดพูดมาทั้งหมดนี้กลัขบขอบพระคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณจอมค่ะกงบอกว่ากลุ่มในขับเฮาส์นะคะก็ห้องธรรมะเนี่ยมีหลากหลายนะคะแต่ว่าในลั บ, บแล้วก็ต่อนเนี่ยต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ตานะคะก็เข้ามาเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็ทำให้เราไม่เสียเวลายเยอนเยอะนะคะก็ให้กลับมารู้ปัจจุบันหรือว่าถ้าเราติดขัดตรงไหนหรือว่า สงสัยอะไรอะไรอย่างเงี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะแล้วก็อธิบายรวมถึงเนี่ยวัฒนาว่าเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออท่านจะได้ชี้ให้นะคะหรือบางคนออบางท่านที่ได้ยินก็บอกว่าบางคนก็เขี่ยนะคะหรือว่าสกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะถามได้นะคะสวัสดีคุณโฟค่ะคุณลุกนะคะวันนี้เราสนทนากัน เกี่ยวกับผู้รู้นะคะผู้รู้ที่พูดได้ด้วยนะคะแล้วผู้รู้ที่พูดไม่ได้เป็นยังไงอะไรเนี่ยค่ะก็สามารถมาแลกเปลี่ยนทัศนคตได้นะคะขออนุญาตครับเอ่อขอยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวจะเงียบือเมื่อเช้าผมสนทานาธรรมกับพี่จอมมาตอานเช้ามือเนาะผู้ท่านคงจะรู้จักองฟรีมานใช่ไหมครับค่ะนิสกะครับ สีก่ตอนนั้นผมก็อธิธรรมก็เข้าใจความหมายไปเรื่องว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านจะหยุดแล้อยัอยงซึ่งความหมายตรงนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีอะไรที่มีปสิศนาทำซ่อนอยู่นะครับสะไปพี่จอมพี่ชองคุยหน่อยที่วันนั้นประ่อช้าเราคุยกันนะพี่จอมครับครับคือองค์คุรุมานี่ครับเป็นตัวแทนของบุคคลที่ชื่ออหิงส ก, กะคือชื่อขององค์องคุรุมานอะหิงส ก, กะคือไม่เบียดเบียน แต่ตัวองคุริมานี่เบียดเบียนเอาเบียดเบียนเอาไปตัดนิ้วเพื่อนโดยมีความเชื่อว่าครูอาจารย์สอนอย่างนั้นว่าถ้าตัดนิ้วครบจำนวนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพันนิ้วหรือกี่นิ้วเนี่ยก็จะเป็นสําเร็จวิชาสุดยอดในบรรดาอาจารย์นี้อาจารย์แนะนําองคุริมานอย่างนั้นองคุริมานก็เชื่อว่าถ้าตัดนิ้วสําเร็จตามจํานวนรู้สึกว่า9ก้ายเหรือพันนิ้วเนี่ยถ้าพันนิ้วเมื่อไหร่ก็จะสําเร็จเมื่อนั้น แต่กลายเป็นว่านิ้วสุดท้ายที่จะไปตัดก็คือตัดมาหมดแล้วไม่รู้จะตัดนิ้วใครก็เลยต้องไปตัดนิ้วออนนึขึ้นได้มีมารดายังไม่ถูกตัดในระหว่างนั้นพระพุทธองค์ว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไปทำปิตุขาตแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานคงจะห่างไกลก็เลยต้องการที่จะไปเทศโปรดอหิงสากะาพอกำลังเทศไปเทศมานี้ครับ ย, ยังไม่ถึงไหนทีว็คือว่าในระหว่างนั้นนะครับ องคุรีมาก็าก็จะไปตัดนิ้วแม่มารดาแต่ว่าพอเห็นพระพุทธองค์แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจุดสนใจดีกว่าตัดนิ้วองค์นี้ดีกว่าในขณะนั้นจะไปตัดนิ้วพระพุทธองค์นั้นก็องคุรีมานั้นในพุทธในพุทธประวัติว่าองคุรีมานวิ่งเท่าไหร่ด้วยกําลังขององคุรีมานขยันขันแข็งขแข็งขแรงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามพระพุทธองค์ได้ก็เลยบอกว่าพระพุทธองค์หยุดได้แล้วพระพุทธองค์ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่ยอมหยุดก็นี้เป็นที่มาว่าอ่า เป็นที่มาว่าเออพอพระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นอ อ, องค์คริมานก็วางดาบกลับใจเลยครับว่าเออกลาบนอบน้อมด้วยความเคารพว่าเออพระพุทธองค์นั้นและหลังจากนั้นก็เราทําให้ได้ข้อคิดว่าเออไอ้นิ้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องเพลินเขาก็บอกว่าเออเหมือนทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเชื่อผิดๆนั้นคะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพีเป็นเรื่องของกระพีเป็นเรื่องของเปลือกทั้งหมด น, นคะครับเหมือนกับว่าเราเนื้อหนังไม่ได้รองนอนเอากระดูกมาแขวนคอ การศึกษาพุทธศาสนาถ้าศึกษากาทีไม่มีวันจบหรอกครับเรื่องทําบุญให้ทานเรื่องรักษาศีลเรื่องการเดินจงกรมอะไรที่มันเป็นลักษณะของพิธีกรรมนั้นก็คือคนเข้าใจผิดไปหลายอย่างเช่นบางทีเป็นเรื่องของพราหม์อีกเรื่องของบทสวดหรือเรื่องของอะไรที่มันเป็นเรื่องของศิยศาสตร์เรื่องอะไรอีกไม่ใช่พุทธศาสนาคนก็เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องเหมือนเหมือนคาทีอะครับเหมือนเอาเอากระดูกมาแขวนคอครับแต่เรื่องแก่นแท้เรื่องที่จะ เข้าใจพุทธะเรื่องที่จะเข้าใจจิตพุทธะนี้น้อยมากจริงๆแทบจะไม่สนใจเลยครับน้องเพินเาพูดประเด็นนี้ครับกลับกับพระคุณครับพจครับแรกอย่างผมก็คุยพจองว่าเนี่ยตอนที่ผมอ่าเข้าใจอภิธรรมมา20ปีก็เหมือนองค์พิมานมไล่ฟันนิ้วมาเรื่อยๆรืยๆเรื่อยเรืเรืรู้อยๆเรอยเอเป็นปฏิบัติอยรเ่เเข้าใ จ, าใจใาเรื่เรื่อยๆรือยๆเรื่่อยๆเเจอพอจ ร, อระจอยอยเอือเรืเือรออ บอกว่าเนี่ยเยเจอผู้รู้เนี่ยเจอผู้รู้แล้วเนี่ยนะว่าต้องไปอะไรมากให้ๆๆให้ให้รู้เหมือนให้กันบ้านอะไรพอวันหนึ่งเราไปไปปั๊บมันนึงถึงบางข้อว่าอ๋อการที่ไปแสวงหาผู้รู้พอได้คําตอบทีหนึ่งแล้วก็ตัดทิ้วผู้รู้ใส่คอสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะทั้งองค์ปริมาณก็ถูกด้วยไรเลยคือผู้เจ้าบอกเราหยุดแล้วท่านอยุดทุกอย่างคือหยุดที่จะไปแสวงหาความรู้และคือได้คําตอบแล้วก็จบแล้วก็ต้องไปหาอะไร พมมีความหมายอย่างเงี้ยหลวงพ่อออสลองลองมีแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับอ่าสาธุด้วยนะออุปมาอุปไมตได้ดีก็ชัดเจนอ่าทีนี้สําหรับผู้ที่ฟังแล้วยังง ง, งๆเนาะหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้กัแล้วกันนะให้โยมลองพิจารณาตามว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้แสวงหาธรรมะนะแสวงหาโดยวิธีใดตัวเรา ไปซื้อหนังสือมาอ่านนะอันนี้คืออะไรเพื่อให้ตัวเรามีความรู้ทางธรรมะเพื่อตัวเราจะได้ปฏิบัติแล้วก็เพื่อตัวเราจะได้พ้นทุกข์ในชาตินี้เนะี่ยยมนึกออกไหมมีตัวเราอ่าแล้วก็ต่อมาอีกตัวเรานะแค่นั้นยังไม่พอตัวเราก็ดิ้นรนทุกวันนะที่จะฟังธรรมะบ้างที่จะสอบถามธรรมะบ้างที่จะนั่งทำกรรมฐานบ้างฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญา อันนี้ก็คือตัวเราเนี่ยตรงเนี้หลวงพ่อมั่นใจเลยว่าทุกคนมองออกว่าเออใช่มันเป็นตัวเราจริงๆนะทีนี้อ่าโอเคตอนเนี้ถึงขั้นที่ว่าใช่ว่าไอตัวที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตนะตัวเราทั้งนั้นเลยที่เป็นผู้สแสวงหาธรรมะนะแต่ปัจจุบันแหละปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่รู้ตัวที่รู้ว่าอดีตอ่ะ ตัวเราเป็นผู้แสวงหาธรรมะเพราะนั้นตัวเราก็คือตัวรู้ตัวปัจจุบันนี่แหละที่รู้ว่าในอดีตมีตัวเราเป็นผู้แสวงหาธรรมะตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วแต่ทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่บอกว่าตัวเราเป็นผู้รู้โยมก็ไม่เข้าใจและก็ยังแสวงหาธรรมะเหมือนเดิมเดิมเดิมเดิมไม่หยุดสักทนะีแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าอา้าเจอตัวเราหรือเปล่าตัวเราที่เป็นผู้รู้อะ่ะ ผู on, ้รู้ว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนน่ะมันมี more, นอีกตัวหนึ่งไปแสวงหาธรรมะตรงเนี้ยก็จะพบตัวเราที่เป็นผู้รู้ทีนี้ลองมาพิจารณาว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้จริงๆน่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปเรียบร้อยแล้วถูกรู้ว่าตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็ลองพิจารณาดูตัวเราที่เป็นผู้รู้ที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยทุกวันเนี้ยนั่งได้เดินได้พูดได้เนี่ย ข้เน no ну well right ี้ยหมายถึงว uh ่าทั้งตัวแล้วหลวงพ่อพูดว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นทั้งตัวก็คือตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็คือพูดได้นั่งได้คิดได้หัวเราะได้เศร้าโศกเสียใจได้นะนอนหลับได้ตื่นได้โกรธได้โมโหได้นี่ตัวเราที่เป็นผู้รู้เพราะมันเป็นตัวเราไงแต่ทีนี้มันมีผู้รู้ตัวเราไงว่าตัวเราเป็นผู้โกรธได้เป็นผู้เกลียดได้เป็นผู้โมโหได้เป็นผู้เดินได้นั่งได้นอนได้ นะตอนเนี้เท่ากับว่ามีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าโธเมื่อก่อนเนี้ก่อนหน้า น, นี้ไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักธรรมชาติที่รู้ตัวเราเลยน ะ, อะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันปรากฏ ว, ว่าเป็นยังไงถ้าไม่รู้จักว่ามีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งมารู้ตัวเราเนี่ยตัวเราก็แสวงหาต่อไปเพราะว่าพ้ยังไม่พบว่าไอาการพ้นทุกข์มันคืออะไร นะการพ้นทุกข์มันคืออะไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดสติปัญญาเข้าใจขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพราะมีความไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งได้เดินได้พูดได้มีความสุขมีความทุกข์ได้มีอะไรได้นะเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยคืออยู่ภา ย, ายใต้กฎไตรลักษณ์นะอันนี้เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, อนัตตา แต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ตัวเราเนี่ยที่รู้ตัวเราเดี๋ยวเนี้ยว่าตัวเราไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เคยไอตัวนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่กำลังนั่งกำลังเดินกำลังฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวปลอมมันเป็นตัวตายนะมันเป็นตัวของที่ไม่จริงแต่ตัวที่รู้ตัวเรามันไม่มีตัวเออแต่มันมีความรู้มันรู้เราได้แล้วก็จะเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าไอ้ตัวที่ทุกข์เนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละที่มันมีความทุกข์เพราะมันเป็นสังขาร นะมันมันสังขารเป็นทุกข์อยู่แล้วอ่าและนอกจากนั้นมันก็เป็นเป็ น, ปนมีความทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลายมันก็อยู่ในที่ตัวเราแต่้ธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีลักษณะอาการแบบนี้เลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเราแล้วอีกอย่างหนึ่งวันเนี้ยไอ้ตัวเราตัวปลอมเนี่ยเพิ่งรู้จักเพิ่งเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวนั้นแหละคือเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเราและก็เป็นตัวที่พ้นทุกข์ ทำไมจึงเรียกว่าเพลินทุกเพราะว่าตัวเราตัวปลอมเนี่ยเป็นตัวทุกแต่ตัวที่มารู้ตัวเราซึ่งไม่มีตัวมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างมันจะมีทุก์ได้อย่างไรนะแล้วถ้าพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายนะตัวเราเนี่ยตัวปลอมเนี่ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่แก่แล้วมันก็เจ็บแต่จริงๆมันไม่มาตั้งมาตลอดแหละแล้วสุดท้ายก็ตายคือแตกสลายตายหมด แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราอะ่ะมันไม่มีตัวนะมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันรู้ได้ว่าตัวเราที่เป็นตัวปลอมเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอย่างเนี้ยถ้าฟังเข้าใจแล้วมันจะรู้จักเลยว่าอ๋อการพ้นทุกการถึงที่สุดแห่งทุกคือต้องรู้ตัวเราแบบนี้เมื่อรู้ตัวเราแบบนี้เออมันก็เห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งก็คือตัวเรานี่แหละเป็นตัวทุกเห็นอยู่อย่างแจ่มแจ้ง แต่ตัวที่รู้ตัวเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นมันไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขมันได้แต่รู้อ๋อพบแล้วความพ้นทุกข์อยู่ที่นี่เองนะอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่รู้ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังธรรมอย่างนี้มันเข้าใจเลยว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือจบลงตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราอย่าหลงเอาตัวเราไปแสวงหาธรรมะที่ไหนอีกเพราะว่าหาให้ตายก็หาไม่เจอเพราะจุดที่เจอคือหยุดหา หยุดหาก็คือเนี่ยรู้ตัวเรานี่แหละก็ เ, เรียกว่าหยุดหยุดส่วนหน้าที่การงานนะก็ทําไปเช่นไปสอนหนังสือไปทําความดีไปวัดไปวาก็ไปปกตินะรวมถึงไปไหว้พระสวดมนก็ไปปกติแต่มันเปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกไปแล้วว่าไอ้ที่ไปนั่นไปนี่ทํานู่นทะํานี่น่ะมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่เรามันเป็นขันท่านะ ตรงนี้โยมจะเข้าใจเลยว่าหมายถึงว่าหลวงพ่อจะบอกเลยว่ายังทําได้เหมือนเดิมยังทํางานทําการยังพูดยังคิดได้เหมือนเดิมแต่ขอให้อยู่ในกรอบในสมมุติหน่อยก็คืออยู่ในอริยมรรคบงแปลคือประกอบการงานชอบอการเลี้ยงชีพชอบพูดจาชอบอะไรชอบๆ บ, บคื อ, ค, อคือมีศีลมีธรรมอ่ะนะเออเพราะว่าเราอยู่ในโลกสมมุติมันก็ต้องใช้สมมุติแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นวิมุติมันพ้นไปจากสมมุติแล้ว ทีนี้พอมีปัญญาเข้าใจรู้จักทั้งสมมติรู้จักทั้งวิ ม, มุตต์แล้วก็คือไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออะไรอีกไม่มีตัวเราไปยึดถือสมมุติไม่มีตัวเราไปยึดถือวิมุตต์นะเมื่อไม่มีผู้ยึดถืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ตรงนี้แหละก็คือว่างว่างเปล่าที่เรียกว่าว่างว่างคืภาษาของอาจารย์พุทธทาสคำว่าว่างหรือว่างสุนยตาเนี่ยก็คือว่างแบบเนี้ยคือว่างจากตัวตน ว่างจากกิเลสตนาอุปาทานคือว่าหมดคือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ตัวตนไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไว้แบบเนี้ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วง่ายก็คือว่าเออจะเดินก็เห็นมันอยู่เห็นมันเดินไม่ใช่เราจะนั่งมันก็นอนอยู่ก็ไม่ใช่เราจะจะสุขมีความสุขเต็มหัวอกไวใจมีปิติมีอะไรแล้วแต่ อ๋อมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเนาะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข่าที่ไหนอะไรก็ตามที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข่าที่ไหนเป็นแค่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วเขาก็เสื่อมไปรวมถึงผู้รู้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยที่หลวงพ่อออกมาพูดเนี่ยเนี่ยผู้รู้พูดได้เนี่ยพูดเอาพูดเอาเนี่ยอันี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันทําหน้าที่คือพูดอ่าถ่ายทอดตรงนี้นะ ส่วนวิมุตได้แต่รู้ไม่พูดอะไรเลยนะของจริงนิ่งเป็นใบซึ่งมีอยู่ไงอยู่ตรงไหนของจริงนิ่งเป็นใบก็สภาพธรรมะที่รู้เราไงที่รู้ว่าเรากำลังพูดนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นสภาพธรรมะที่ไม่พูดเพราะตัวพูดคือตัวตัวปลอมแต่ธรรมะที่ไม่พูดคือตัวจริงแต่มันไม่พูดอะไรอ่าอย่างนี้ซึ่งมีอยู่คู่ขนานกันแบบนี้นะก็ ถ้าฟังอย่างนี้เข้าใจเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไปต่อยอดหมายถึงไปไปอุปมานะเหมือนกับว่าเออตอนนี้ขับรถเป็นแล้วขับรถเป็นแรง เ, เริ่มขับคนเดียวได้แล้วแล้วก็ให้ขับทุกวันขับบ่อยๆขับบ่อยๆนะมันก็จะชํานาญเพราะฉะนั้นในการรู้หรือว่าที่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดแล้วบางทีวันนี้อาจจะแว๊บแวบแบมแก็ไปไปพัฒนาไปสังเกตไปดูเอาเองแล้วก็จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงค่นะอขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะพอดีมีอย่างนี้ค่ะมีแบชแนมาค่ะมาเสริมนะคะหลังจากที่คุณอนนทอคุยเรื่องอองค์ุลีแมนนะคะก็ะมีแบชแนมานะคะว่าอจริงๆเนี่ยองคุลีแมนเนี่ยนะคะท่านเด่นเกินเพื่อนนะคะสมัยเรียนเนี่ยเด่นเกินเพื่อน แล้วก็เพื่อนก็เลยใส่ร้ายนะคะแล้วก็ใส่ร้ายว่าเนี่ยคิดอะไรกับภรรยาของอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่จริงน ะ, ะแต่อาจารย์หูเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยออกอุบายค่ะน ะ, ะอาจารย์หูเบาไม่ถามท่านก่อ น, นะคะเลยเอา อ, อุบายให้ท่านเนี่ยไปทาแบบนั้นนะคะท่านเองก็หูเบาแล้วก็เชื่อตามที่อาจารย์บอกให้ไปตัดนิ้วอะไรนะคะแล้วก็ดีว่าสุดท้ายเนี่ยค้นพบทางออกนะคะ แล้วก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้สอนอยู่อสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันได้มากนะคะนุ้นนิดก็เลยตอบคําถามเนี้ยนะคะไปกับคนที่แบชั่นออมานะคะหรู้ถามว่านุนนิดก็บอกว่าแล้วเห็นตรงตัวที่อยากมาพิมพ์บอกไหมคะ <c oughs> นะคะเขาก็ายั ง, งงงงนิดหน่อยนะคะเขาก็ถามว่าอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคําถามได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า เขาไม่เข้าใจตรงคำว่าแล้วเห็นตรงตัวที่อยากมาพิมพ์บอกไหมคะอ่ะอันนี้คิดว่าถ้าท่านท่านไหนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมาคุยได้นะคะมีประเด็นที่น่าสนทนายอะอย่างยิ่งเลยครับว่าไอ้ปกติเนี่ยครับถ้าผมอยู่เฉยๆเนี่ยครับผมจะมีการถามไม่ว่าใครรู้ ไม่มีทางหรอกผมว่าตลอด50ปีสี 40, ่สิบหิปีไม่เคยถามตัวเองเลยว่าใครรู้ใครรู้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาชี้แนะมาชี้นําเออใครละใครละที่รู้เนี่ยใครอ่ะก็นี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะบอกว่าพวกเราโชคดีที่มีครูบาอาจารย์เกื้อหนุนประเด็นที่สองก็คือว่าคําธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับแต่ก่อนผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าคําธรรมดาแบบนี้จะทําให้พลิกชีวิตได้ เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นคําของพระพุทธเจ้าเป็นคําบาลีเป็นคําที่ยากเป็นคําที่ลึกซึ้งเป็นคําของท่านเว้ยหลางเป็นคําองเป็นคําของนักปราชญ์แต่คำบอกว่าใครรู้เนี่ยคํานี้เป็นคําธรรมดามากเลยอะใครรู้ตอนนี้อะที่พูดมาทั้งหมดนี่ใครรู้อะไม่คิดเลยว่าคํานี้มันจะมีค่ามัสาจารย์มากจึงอยากให้ท่านอาจารย์เออชัเมตตาว่ามันมีค่ายังไงหรือว่าจริงๆมันมีค่าอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับอ๋อใครรู้ใครรู้ เอานี้คือการอธิบายอย่างเดียวเนี่ยโยมยังไงก็เข้าใจยากมากเลยเข้าใจไม่ได้นะโยมจะต้องรู้เป็นปัจจัตตังหมายถึงว่าแต่ว่าหลวงพ่อมีวิธีไงแต่ว่าวิธีแต่และวิธีเนี่ยก็เป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างบางคนวิธีที่หลวงพ่อ น, นำเสนอเนี่ยบางคนเก็ตนะ<ฆ>บางคนไม่เก็ตพอไม่เก็ตหลวงพ่อก็เอาเสนอวิธีอื่นมาอีกนะ<ฆ>เพื่<ฆ>ไล่ไปเรื่อยจนกว่าจะเพ อ, อ, อใจค่ะอย่างเช่นวิธีเนี่ยพวกเราที่เข้าห้องคลับเอาหลายครั้งเนี่ย ที่เคยได้ยินหลวงพ่อนะเช่นวิธีตัวเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องห้องว่างเลอนะเอาตอนแรกห้องว่างก่อนนะโยมล อ, ลองลองนึกภาพดูน ะ, ะ, ะเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่เลยเป็นห้องว่างจริงๆนะเกิดยวนี้พอให้ตัวโยมเนี่ยเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องว่างแล้วก็หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าถามว่าไงโยมข้างในมีใครอยู่ไหมโยมบางคนบอกว่าไม่มีใครเลยนะนะ บางคนบอกไม่มีใครเลยหมุนรอบตัวแล้วดูซ้ายดูขวาดูบนดูล่างไม่มีใครเลยแล้วก็ตัวเองก็ออกไปห้องก็เป็นห้องว่างเปล่าอีกค่ะทีนี้ให้คนที่สองเข้าไปบ้างเอาโยมเข้าไปดูสิในห้องมีใครอยู่ม้างโยมก็บอกหันซ้ายหันขวาหันหน้าหลังรอบตัวเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกบอกว่าไม่มีใครเลยอาจารย์อา <c oughs> จารย์แลหลวงพ่อก็บอก <c oughs> ไอ้ดูใหม่สิมีใครไหมโยมก็บอกเจอแล้วมีคนหนึ่งคนอยู่ในห้อง ตัวเองนะทีนี้ให้โยมลองสังเกตคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะคนที่สองเนี่ยได้แต่เอาตัวเองอ่ะไปรู้รอบตัวว่ามีใครไหมแล้วก็บอกว่าไม่มีใครนะแต่โยมคนที่สองอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือมันมากกว่าคือหมายความว่านอกจากดูสิ่งอื่นแล้วดูคนอื่นแล้วก็พบว่าไม่มีใครเหมือนกันแต่มันเกิดสติสัมปชัญญะเกิดคือมันมีตัวรู้ขึ้นมารู้ว่ามีตัวเราอยู่หนึ่งตัวอยู่ในห้อง แต่ไอคนแรกกับไม่รู้เราไงไม่รู้เราแสดงว่าอย่างเนี้ยมันต้องมีตัวรู้ใช่ไหมที่หลวงพ่อก็เลยท่านถามว่าแล้วใครละมารู้ตัวเราอ่าเห็นไหมคนแรกไม่มีใครมารู้ตัวเราเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นะคือมันไปรู้ข้างนอกจะรู้ได้เออก็เลยไม่มีใครมารู้เราแต่ไอคนหลังบอกว่ารู้เราได้ว่าเราอยู่ในห้องไอตรงนี้รู้เราได้น่ะตรงนั้นแหละ มันเป็นคำถามว่าใครล่ะมารู้เราค่ะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราก็บางคนก็บอกว่าก็เราไงรู้เร า, <iet> าอย่างมือดอย่างแยกไม่ออกเนาะแต่บางคนเนี่ยเข้าใจชัดเจนเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่มารู้เราเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันรู้เราได้ก็อแล้วกันนะเออถ้าไม่รู้เราแล้วจะรู้ได้ไงว่าเรามาอยู่อ่าแสดงว่ามันต้องมีธรรมชาติรูร้ ทีนี้แหละพอรู้จักเริ่มทำใมชาติรู้ก็หัดสิหัดเดินเข้าเดินออกในห้องไงเนาะอ่าเพราะมันมันได้ต้นทางเลยนี่พอเข้ามาปับ๊บอ้าวมันก็เห็นตัวเองพอออกไปมันก็เห็นตัวเองพอเข้ามาใหม่มันก็เห็นตัวเองชีงโง่คอตัวยังไม่ทานข้าวเยหัวเข้าแล้วก็รู้ตัวเองอ้าวเริ่มจับทางเลยเฮ้ยการรู้ตัวเองคือมันรู้แบบนี้นี่หว่าต่อไปโยมก็หัดเดินที่เดินไปเดินมาเดินเหมือนกับที่เคยเดินเมื่อก่อนโอ้ต่อบแบนี้ปล่อยอะไรวะ เราเดินไปไหนมันเห็นเราหมดเลยเว้ยอย่างเงี้ยนะแล้วเราพูดเราบน่นเช่นเราบ่นว่า i, เฮ้ยใครว่ามารู้เราวะอ้าวมันก็รู้เราอีกว่าเราเนี่ยบ่นแล้วนี่ตรงนี้แหละมันได้ต้นทางแล้วก็ไปฝึกเยอะๆๆๆจนกระทั่งมันรู้แจ้งเขาเรียกว่ารู้แจ้งต่อในการรู้ตัวเราแล้วต่อไป <c oughs> นี่เมื่อรู้ตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยไปขยายเอาเองไปฝึกซ้อมใช้เทคนิคจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้ <c oughs> จะเรียกอะไรก็ได้ เพื่อพัฒนาให้มันรู้ตัวเราเนืองๆบ่อยๆมากขึ้นแล้วต่อไปมันจะรู้แจ่มแจ้งเลยว่าเวลาทุกเวลาสุขเนี่ยตัวเราตัวปลอมทั้งนั้นเลยแต่ตัวมันน่ะที่ตัวรู้ที่มันมารู้เรามันไม่เคยทุกข์ไม่เคยสุขมันไม่เคยเป็นอะไรสักอย่าง <c oughs> ประมาณอย่างเนี้ยอ้าวที่พี่นัก็สมรักเคสนี้โ <c oughs> ยมฟังแล้วโยมต้องไปฝึกด้วยนะโยมต้องไปลองทํานะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่งั้นมันจะไม่ <c oughs> ไม่เข้าใจอ่ะ คือหนู่งเมื่อก้ชี้ไปเลยค่ะคือถ้าท่านงงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูนิ่อ่านหนูนิ่อ่านอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้พอดีคุณอนนท์พูดถึงเรื่ององค์คูริมานนะคะแล้วก็อมีท่านหนึ่งค่ะมาขยายว่าจริงๆมันทำจริงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอาจารย์ออกหูเบาก็เลยไปออกอุบายให้ท่านไปตัดนิ้วหลายๆคนจริงๆท่านเองก็ดีที่ท่านดับคนพบทางออดแล้วก็ท่านเนี่ยก็ สอนเออหมายถึงเรื่องนี้สอนเราได้หลายเรื่องแม้กระทั่งการอยู่ในขณะปัจจุบันแต่คําถามที่หนูถามไปอะค่ะนะค ะ, นะคะหนูถามว่าแล้วอ่าห น, นูอาจจะ อ, นนอาจาที่หนูพิมพ์ไปหนูพิมพ์ว่าเห็นตรงตัวที่อยากมาพิมพ์บอกไหมคะนะคะแต่ตอนนี้หนูอาจจะบอกว่าแล้วเห็นผู้ที่อยากจะมาพิมพ์บอกไหมคะอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> นะคะถ้าเห็นผู้ที่จะอยากจะมาพิมพ์บอก มันก็คือแค่เปลี่ยนคําว่าผู้ที่อยากกับผู้รู้แค่นั้นเองถ้าเข้าใจแล้วหรือยังไงก็ตอบหน่อยๆด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะปองหวังคือหนุ่ยด้วยผู้ถูกเนาะเราเถอะไม่ได้เนาะเพราะถ้ามีเผลอเมื่อไหร่มันจะมีเราทุกทุกเรียบที่ชื่นใจต่างตัวเรานั่งกับเป็นเรามีแต่เราทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ คแต่สิ่งที่ปู้ทุชนเห็นได้ได้ง่ายที่สุดก็คือการเห็นสิ่งที่มันไม่มีอะไรกลับเห็นว่ามีอะไรแต่ตามธรรมชาติมันว่างอยู่แล้วแต่ผุุ้ชนก็จะงมองว่ามันไม่ว่างเพราะว่าตัวเองปลูกพ่อแม่บัญญัติสมมุติกันขึ้นมามันก็เกิดทำให้ห่างไกลจากความจริงเปิดประยุทธ์สมมติบัญญัติข้อเป็นาธาตุของสมมติบัญญัติโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าจากสิ่งที่ไม่มีอะไรแั่ ผู้ชมจะมองว่ามีอะไรมีอะไรทั้งๆที่มันไม่เที่ยงตัวคก็บอกว่ามันเที่ยงทุกคมันเสืส่อมไลาย ไ, ไม่ไม่เสื่อมสลายลนะบังคั้ ม, นมานจะไม่ได้นะบังคับได้เนี่แหละคือมองว่ามีอะไรแต่สําหรับผู้ที่อีกระดับหนึ่งคือเริ่มเป็นผู้ที่เริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความจริงได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะแปลว่าจิ่งทีมงม่มีจริงไม่มีสิ่งที่มีจริงนั่นจริงทั้งหมดคือธรรมะทั้งหมดดูซิมันมีจริงหรือเปล่านก็เริ่มาศึกษาไม่ว่าจะเป็น ปรสบการณ์แล้วแต่ก็จะเห็นว่าจากสิ่งที่มีอะไรสู่ความไม่มีอะไรมันมีไหมมีแต่พอเราพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเบื้องต้นเริ่มชัดแหละชัดเขวิไปอีมันก็เสื่อมสลายชัดลึกเข้าไปอีกอมันบังคับไม่ได้เนี่ยเออมันไม่มีเราจริงๆอัเ น, นี้ยเรามาอยู่ตรงไหนนีแต่ตอนนี้ถ้าแบบใส่เนี็ตลึกเข้าไปอีกออย่างที่หนึ่งคือจากไม่มีอะไรเห็นว่ามีไม่มีอะไรเห็นว่าให้มีอะไร อันที่สองก็คือจากที่มีอะไรเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าแบบเซนิมันทั้งมีและไม่มีนี่คือสิ่งที่เห็นยากที่สุดอ่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันละเอียดเนาะมุมมองที่ว่าถ้าตาใดยังมีความเป็นคู่มีสิ่งที่ดำรงอยู่กับสิ่งที่ไม่ดำรงอยู่มันก็มีความมีความเป็นของคู่คู่อยู่ยังปรงแต่งอยู่ก็ยังเป็นสังขารที่ละเอียดั้งหมดสังขารแล้ว ตับสนิทไม่มีส่วนเหลือมันก็ว่างปัจจากทั้งสิ่งที่มีและปะัจจากสิ่งที่ไม่มีอิสระทั้งสองฝ่ายก็เรียกศูนย์ยัญญาตานอันนี้เซนก็ จ, จะพูดอย่างนี้นะว่าอนมุมัตนาสาธุค่ะก็ถ้าถ้าเอ่อนี่ค่ะมาฟังบ่อยๆแล้วแล้วน้อมใจก่อนที่จะจบเซสชันนะคะจริงๆได้อีกประมาณสองนาทีนะคะก็ต้องเสริม อ, อีกอันนะคะพูดเหมือนเดิมเลยค่ะ เมื่อวานก็พูดเหมือนกันนะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะตัวหนูก็บอกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เรียนดูอะไรนะคะวันนี้เราได้อะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าเราได้อะไรเหมือนกันอาจจะไม่ได้เลยนะคะจริงต้องบอกว่ารู้ว่ามีอยู่จริงนะคะแต่บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูจะพูดว่ายังไงดีก็อถ้าเอาได้ชั้นไหนนะคะมีคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยคะก็สามารถที่จะ แบชชน่มาถามได้นะคะวันนี้อาจจะไม่ทันก็สามารถที่จะให้หลวงพ่ อ, อ, อท่านอธิบายได้อีกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะแต่พรุ่งนี้หนูนอาจจะไม่ได้อยู่นะคะสาร์อาทิตย์หนี้อาจจะต้องไม่ค่อยสะดวกนะคะทํางานนะคะนะคะคก็ขอบคุณออเดนทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงสเปิเกอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาสนทนาวันนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะและต้องขอบคุณเออ่ คนที่แนะนํานะคะบชชัชแนลมาเนี่ยทําให้เป็นเคสขึ้นมาทําให้เราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้สนทนาในสิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยจรงิจรงๆเลยเกิดขึ้นมันก็เห็นตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าตัดหัวเลยนะคะทำแบบตัดฉับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เห็นปัจจุบันตรงนี้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้น่ะเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะตรวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะะก็วางไว้แล้วกันนะที่ได้ยินได้ฟังวันเนี้ย ฟังแล้วได้ยินแล้วถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปทำอะไรเลยก็จะไม่พบจะไม่เห็นนะอย่างของโยมมันก่อนโยมเพลินหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็คือทำเพื่อการเรียนรู้แหละถ้าไม่ทำก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกว่าลองลองเป็นเป็นคนที่ไม่พูดดูดิคือไม่พูดเนาะ<ฆ>ลองทดสอบเลยเดี๋ยวพอวางสายจากพ่อเสร็จไปจากหลวงพ่อเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้าน น, นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยไม่พูดเลย แล้วดูสิดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราทำเพื่อกา ร, รศึกษาไงทเพื่อการศึกษาโยงโยงก็ไปทำทำโน่นทา น, ทนี่มันก็ถูกบีบคั้ น, นเวลาไม่พูดใช่ไมมันก็คิดเองถามเองตอบเองหมดบอกเช่น ค, คิดว่าเฮ้ยคนอื่นหาว่าเราเพี้ยนไปแล้วมึงบ้าไปแล้วมึงเนี่ยมันก็พูดในใจคนเดียวตรงเนี้ยก็ทำให้เห็นความคิดนะเออเป็นอุบายอะเป็นอุบาย แโยมเพล่นะจริงๆ ก, ก่อนนะนั้นนะ่ะเราก็คุยกันหมดแล้วบอกว่ามันมีแต่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเรานะแต่โยมเพลิก็ดันเอาตัวเราไปทําการบ้านดูเอาตัวเราอะ่ะคือหลงผิดไปว่าเราอะ่ะเราเร า, เราไปทําการบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะ่ะตรงนี้มันก็เป็นแบบฝึกหัดที่แบบเหมือนกับว่าเ อ, อบางครั้งเนี่ยความหลงผิดนี่นะมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายเหลือเกินนะ่ะทั้งๆ ท, ท, ที่ฟังอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่มีเราไม่มีเร า, เราแต่พอกอันนั้นเสร็จ เดี๋ยวเราจะต้องไปทําการบ้านแล้วเราก็จะมาส่งการบ้านไม่เห็นเลยว่าไอ้ที่ทำอย่างนั้นนะมีพฤติกรรมอย่างนั้นกับวิญญาณอย่างนั้นนะมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งมันไม่มีเราอยู่จริงนะแต่เวลาภาษาสมมติอะโอเคถูกต้องแหละเราก็ต้องใช้สมมติว่ามีเขามีเรานะเออเพราะนั้นนะโยมได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยก็ลองไปไปทําแล้วมันก็จะเห็นก็จะรู้แล้วก็จะทําให้เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเป็นเป็นปัญญาแล้วก็สุดท้ายมันก็ เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งมันก็จะรู้รว่าโอ้แท้จริงก็มีมีแค่สิ่งเกิดดับเนาะกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับซึ่งเป็นฐานรองรับสิ่งเกิดดับเหมือนอาจารย์พลอยว่าเลยนะมันมีสิ่งเกิดเกิดแล้วก็ดับดับก็คื อ, ค อ, คอเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแล้วก็ตรงที่ไม่เกิดไม่ดับในตรงนั้นะเป็นฐานรองรับอยู่แล้วนะ<ช>ก็ฝากไว้และส่วนผู้ที่อ่หลวงพ่อพูดก็แล้วกไหนไหนก็ไหนไหน เออคนที่ยังไม่พอโลดหลวงพ่อเนาะพอโลดด้วยเนาะเพราะว่าเวลาหลวงพ่อเปิดห้องบางทีกระทันหันนะไม่มีกําหนดล่วงหน้านะอย่างเมื่อคือนเนี่ยจริงจริงท่าจะเปิดนะที่อ่าที่โยมจอมโยมจอมโยมจอมจอมจอมจอมโทรมาหลวงพ่อก็ไปค้นหาขับเ้าเลยเออโยมโยมจอมยังไม่ได้ติดตามหลวงพ่อเลยก็เลยเรียกกันไม่เจอเลยบอกให้ติดตามด้วยนะเพราะบางทีกระทันหันปั๊บหลวงพ่อจะจะ จะปิงไปใช่ไหมก็เรียกว่าอะไรนะปิงค่ะปิงปิ้งอาจจะปิงไปเพื่อมามามาาท่าว่างก็มาฟังในตอนนี้ธรรมะกำลังแสดงเนี้ยเออเพราะนั้นให้ฟอลโล่ด้วยเนาะแล้วก็ให้ดีกดกระดิ่งด้วยเพราะว่ามันเตือนทันทีเลยอ่ากหลวงพ่อก็คงแค่นี้นะอ่าก็กลับนมัสการหลวงพ่อนะคะแล้วก็กลับนมัสการท่านพระพอยด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณออเดียนทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมฟังธรรมะอันวันนี้นะคะ